บัดนี้เมื่อจะทรงแสดงผลวิเศษนะครับที่จะพึงให้สําเร็จด้วยอสุภานุปัสนาเป็นต้นนะครับคือด้วยอนุอนุปัสนาทั้งหลายเนี่ยนะครับเห็นอสุภาเนี่นะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสคําเมียที่ว่าอาสุภานุปัสสีหนังเป็นต้นคือหมายความว่าเมื่อเจริญอย่างนี้แล้วจะได้รับผลอะไรบ้างนะครับเช่นถ้าเจริญอสุภาแล้วได้ผลอย่างไรเจริญอานาปานสติแล้วมีผลอย่างไรเจริญ อันนี้จะสัญญาเป็นต้นแล้วมีผลอย่างไงผมก็ตรัสว่าบทว่าอสุภายะทาตุยาความว่าในความเป็นของงามอธิบายว่าในสุภานิมิตบทว่าราคานุสยโยได้แก่การมราคานุสัยที่ควรแก่การเกิดขึ้นในเพราะสุภารมนะครับ นะราคานุสัยเนี่ยนะครับถ้าหากว่าอารมณ์อสุภะเนี่ยนะทำให้พิจรนารณาเนี่ยเกิดแน่นอนนะครับถ้าไม่เจริญอสุภะไว้นะครับเห็นอะไรงามๆโลภะก็เกิดหมดนะครับในการมราคานุสัยนั้นพระโยคาวจรเนี่ยละได้ด้วยอนาคามีมักที่ตนถือเอาอสุภานิมิตของผู้พิจรนารณาเห็นอสุภะในอาการ32มมีผมเป็นต้นหรือในซากศพที่ขึ้นพองเป็นต้นแล้วยังปฐมฌานให้เกิดในเพราะ อสุภาษนิมิตนั้นทำปฐมฌานนั้นให้เป็นเบื้องบาทเริ่มตั้งวิปั ส, สนาแล้วก็บรรุอธิบายว่าตัดขาดโดยประการทั้งปวงสมดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าควรเจริญอสุภาเพื่อละกามราคะควรพิจารณานะครับว่าท่านให้เห็นลำดับเลยนะว่าไอ ราคานุใสเนี่ยนะครับโลภะที่ยินดีโดยความเป็นของงามเป็นต้นเนี่ยนะจะละได้โดยเด็ดขาดที่อนาคามีมักทีนี้อาคาณาคามิมักเนี่ยนะครับก็ต้องอาศัยบาตคืออะไรครับอาศัยอะไรเป็นอุปนิสัยก็ต้องอาศัยสกะทาคามีผลสกะทาคามีมักอ้าวสกะทาคามีมักคามีผลอาศัยอะไรเป็นบาตก็ อ, อาศัยโสดาปฏิมักโซดาปฏิผลเอาโซดาปฏิผ ล, ผลก็มีอะไรเป็นเบื้นบาตก็มีวิปัสสนากรรมฐาน นะครับมีวิปัสสนากรรมฐานเช่นตั้งแต่โคตรภูยานอนุโลมยานสังขารุเปฆายานนะครับมุนจิตุกรรมมัตายานปฏิสังขานญานหรือแม้กระทั่งนิพพิทายานอาทีนวายานพยตูปัฐานนายานพังคายานนะครับอุทยพญายานสัมมสนาญาณนะครับปัจยะปริคหายานแล้วก็นามรูปววัฏฐานนายานนะครับนามรูสังขารปริเฉทายานเนี่ยนะครับ พนิยานเหล่านั้นมีอะไรเป็นบาทก็มีปฐมฌานที่เกิดจากอสุภาพเป็นบาทรนี่ปฐมฌานเนี่ยนะครับก็อาศัยการเจริญอสุภาพก็เกิดจากอุปจารสมาธิอุปจารสมาธิก็ตั้งแต่การนี่ยนะครับศึกษาเรื่องอสุภาพเป็นอย่างดีเป็นต้นเพราะนั้นการเจริญเหล่านี้อุปนิสัยทั้งหมดนี่ก็เพื่ออนาคามีผลเพราะฉนั้นถ้าเจริญอสุภาพได้รอบคอบอย่างดีถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะครับ สามารถเจริญวิปัสนาบรรลุอน า, าคามีมรรคก็ตัดขาดสุภานิมิตเหล่านี้ได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นพรมนี่นะครับยังไงพรมก็ไม่มีการมาราคะในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจุติหลังจากเป็นพระอนาคามีแล้วก็สุดท่าวาสก็เป็นอันหวังได้นะครับไม่ต้องกลับมาสู่ภพนี้อีกแล้วนะครับไม่ต้องมาเกิดในครันไม่ต้องมาเกิดในไข่ไม่ต้องมาเกิดไม่เป็นเท่าใครเปื้อนของเม็นทั้งหลายอีกแล้วนะครับไม่ต้องมาเป็น โอปปาติกะแบบอบายทุกขติวินิบาตนรกอะไรอีกเลยนั่นก็พ้นนะครับเพราะฉะนั้นปริณิพานในโลกนั้นเป็นธรรมดาไม่ย้อนกลับมาในโลกนี้โดยการปฏิสนธิอีกเลยนะครับทีนี้ต่อไปนะครับบทว่าพาหิราความว่าอากุศลธรรมที่ชื่อว่าข้างนอกข้างนอกคือที่ชื่อว่าภายนอกเพราะเป็นที่ตั้งแห่งอารมณ์ในภายนอกและไม่นําประโยชน์มาให้ คิดดูนะครับเรื่องที่เราตรึกตรึกกันทุกวันเนี่ยนะอันนี้เลยไปถึงอนาปานาสติแล้วนะเรื่องที่เรานึกคิดอยู่ทุกวันเนี่ยคิดเรื่องนอกตัวทีนี้คิดเรื่องนอกตัวนี่นําประโยชน์อะไรมาให้บ้างนะครับถ้าเป็นคารวาทั้งหลายนะเขาก็อาจจะเออประโยชน์ของเกี่ยวกับกิจการงานของเขาอ่ะนะเป็นต้นนะครับเช่นเขาอาจจะอ้างว่าดูข่าวดูทีวีเป็นต้นนะครับเพื่อให้รอบรู้ทันโลกประกอบธุรกิจอะไรทั้งหลายแหละนะเขาเป็นคาราวาตเขาจะพูดยังไงก็ได้นะครับแต่ถ้าของเป็นพระพภิกษุเรานะครับ ก็บอกเออเรียนพวกนี้เอาไว้เทศให้ทัานโลกทันสังคมเออแล้วท่านทันกิเลสตัวท่านหรือยังอนะครับแต่ถ้าหากว่ายังไม่ทันกิเลสนะครับไปอารับรู้เรื่องชาวบ้านชาวเมืองบ้านโน้น ôn, ก็ทะเลาะกับบ้านนี้บ้านนั้นก็คุยกับบ้านโน้น ôn, บ้านนั้นจะแต่งงานบ้านนั้นไปทุระที่นั่นที่นี่ไปรอบรู้หมดนะครับไปที่ตามเขาเรื่อยไปหมดเลยมันมีประโยชน์อะไรครับในการบําเพ็ญสมมานรม เกื้อกูลต่อศีลไม้เกื้อกูลต่อสมถะวิปั ส, สนาอะไรสักอย่างก็ไม่มีเพราะฉะนั้นไอการตรึกการนึกคิดเป็นไปในเรื่องตามบ้านตามช่องตามบ้านเมืองต่างๆเป็นต้นเนี่ยจึงไม่ควรคนระับเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะครับประโยชน์ในการป ร, ประเพณสมมาธรรมนี้ไม่มีสักอย่างจริงๆบอกว่าวิตากาสยาได้แก่เมธชาวิตกมีความดำริในการเป็นต้นนะครับเมธชาวิตกเนี่ยนะ ก็ตรึกไปวนจากรูปไปหาเสียงวนจากเสียงไปหากลิ่นวนจากกลิ่นมาหารูปวนจากรูปไปหารถวนจากรถไปหาโพธาพะวนจากโพธาพะไปหากลิ่นอีกนะครับอะไรครับคิดถึงขนมเค้กอย่างเงี้ยใช่ไหมครับพวกเนี้นะจากรูปไปหากลิ่นจากกลิ่นไปหารถจากรถไปหาโพธาพะโพธาพะมาหารูปอีกแล้วนะครับก็วนอยู่นั่นแหละครับในข้าวของผลไม้รากไม้ทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยนะก็นิกวนไป ในทั้งหมดนี้เขาเรียกว่ากามวิตกนะถ้าหากว่ากามวิตกเนี่ยนะครับหรือว่าพยาบาทวิตกเกิดขึ้นในอารมณ์ทั้งหลายหรือว่าแม้กระทั่งวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็มิจฉาวิตกเหล่านั้นที่ยังละไม่ได้จะคล้อยตามอาสยะนะครับจะคล้อยตามไอ้อุปนิสัยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าวิตรกาสยา เพราะเมื่อมีความพร้อมเพียงแห่งปัจจัยก็เกิดขึ้นนะครับถ้าได้พร้อมปัจจัยเนี่ยนะอกุศลวิตกทั้งหลายอากุศลธรรมทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นก็ในวิตกทั้งสามนี้กามวิตกพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถือเอาแล้วด้วยสาบว่ากามาราคะนั่นเองเพราะฉะนั้นวิตกที่เหลือจากกามวิตกนั่นแหละเพิ่งทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วนะ พอองตัดแค่การมวิตกอันเดียวนะพยาบาทวิตกก็เท่ากับแสดงแล้ววิหิงสาวิตกก็เท่ากับแสดงแล้วเพราะฉะนั้นเจริญอาณาปานาสตินี่นะครับเ พ, รเพื่อกําจัดอกุศลวิตกทั้งหลายเหล่านั้นๆนะครับ mm hmm. บทว่าวิคาตักปักกาความว่าเป็นส่วนแห่งความทุกข์หรือกระทําความเกิดขึ้นแห่งความทุกข์ด้วยอํานาจแห่งความอยากอะไรนะครับ คือถ้าตรึกไปเรื่อยๆเนี่ยโลภะก็จะเกิดใช่ไหมครับมันก็จะไปอยากโน่นอยากนี่เอเกิดนึกถึงจังหวัดนั่นเกิดอยากไปจะว่าไงครับไปมันก็เริ่มเดือดร้อนนะครับเติ่มตั้งแต่เรื่องรถเรื่องเรื่อเรือนเดินทางเรื่องที่พักเรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ยนะถ้าเป็นพระเราเนี่ยโอ้ยมันลําบากนะครับโอ้ยเดินทางยังไงครับไปนอนที่ไหนไปฉันยังไงอะไรยังไงสถานที่ก็ไม่สปายะ ดีไม่ดีไปไปแหล่งท่องเที่ยวเป็นต้นเนี่ยนะครับไปลำบากใจอีกไปเจอของสวยๆงามๆอีกกลับมานอนกลัดกลุ้มอีกก็ลำบาก <laughs> นะครับบทว่าเตนะโหนติความว่าละกามวิตกเหล่านั้นได้เออมหาวิตกเนี่ยนะครับมีอยู่9อย่างนะวิตกที่เป็นอกุศลนี่มีอยู่9อย่างนะครับชั้นต้นพูดไปแล้วหนึ่งใช่ไหมคือกามวิตกเสร็จแล้วก็2พยาบาทวิตกนะครับ3มวิหิงสาวิตกนะครับ พยาบาทวิตกก็นึกด้วยความโกรธนะนะวิหงสาก็นึกด้วยการเบียดเบียนแล้วก็4ี่ญาตวิตกเติบบ่อยไหมครับไปสุรินบ่อยไหมพี่จ้าเที่ยวสุรินบ่อยเนะาะท่านี้ญาตวิตกนะครับถ้าติบทั้งสุรินบ่อยๆแล้วมาโมดนึกถึงชายเชียงแาวบ่อยนะพวกนี้ญาตวิตกนะครับต่อไปก็ชนบทวิตกนะครับชนบทวิตกก็คือนะครับนึกถึงบ้านโน้นจังหวัดนี้เป็นต้นเนี่ยนะ ทีนี้ต่อไปก็ข้อ6ก็อมมาลาวิตกนึกถึงพวกเทวดาทั้งหลายนะครับของเทวดาทำงานเป็นต้นเนี่ยนะหรืออาจจะนึกถึงพวกความไม่ตายเนี่ยนะหรือข้อเจนะครับวิตกที่7ก็คือวิตกที่ประกอบด้วยการไม่ดูหมิน่นหมายความว่าไม่อยากให้ใครดูหมิ่นตัวเองเลยนะครับไม่ไม่ไมนึกทํำยังไงนะคนอื่นจะได้ไม่ดูถูกดูหมินนะครับเหมือนกับที่เราเคยกล่าวไปแล้วนะในวิตตกสูตรสูตรก่อนโน้นนะครับ เราวิตกที่ประกอบด้วยลาบสการะและความสารเสริญอันนี้เป็นข้อที่8นะครับนึกว่าโอ้นี่นะทํายังไงจะได้ลาบอันนั้นทํายังไงจะได้สการะทํายังไงจะได้เสียงยกย่องชมเชยเป็นต้นเนี่ยนะครับอันนี้คือเราวิตกที่ประกอบด้วยลาบสการะและสารเสริญแล้วก็วิตกสุดท้ายก็คือวิตกประกอบด้วยความเอ็นดูในผู้อื่นอันนี้หมายความว่าวิตกแบบเห็นเขาทุกข์ก็จะไปทุกข์กับเขาเห็นก็สุขก็จะไปสุขกับเขานะครับ อันแต่ว่าแปลดูเหมือนดีนะครับแต่ที่จริงแล้วไม่ดีนะครับก็บอกว่าแปลว่าวิตกที่ประกอบด้วยความเอ็นดูผู้อื่นแต่ที่จริงเนี่ยหมายความว่าเห็นก็สงสารเขาอะนะเห็นเขาทุกข์ก็อยากจะไปทุกข์กับเขาเห็นเขาดีใจก็อยากไปร่วมดีใจกับเขาอะไรสนานเนี่ยไปร่วมสุขร่วมทุกข์กับเขานะครับเหมือนกับสูตรที่เราเคยกล่าวไปแล้วนะครับอ๋อขออภัยครับแล้วสูตรนี้นี่ถ้าหากว่าเปลี่ยนจากคาราหัดหรือว่าพวกมหาอมาตย์ ราชาชามาเปลี่ยนพระพิสุด้วยกันนี่การอ็นดูลักษณะนี้นี่ควรหรือเปล่าเช่นครับอย่างตัวอย่างสุขก็สุขด้วยวิตกไปใครนเขทุกข์ก็ไปวิตกกังวลกับเขาด้วยอืมหรือว่าเห็นเขาเดือดร้อนก็ไปเดือดร้อนกับเขาด้วยอะไรประมาณนี้ครับนี่ถ้าผมถามว่าเราบวชมาบําเพ็ญไตรสิกขาใช่ไหมครับไปวิตกกังวลกับเขาแบบนั้นแล้วศีลเรามีขึ้นไหมครับศีลดีขึ้น สมาธิจิตมั่นคงขึ้นปัญญารอบรู้มากขึ้นถ้าได้ผลสามประการดีขึ้นก็ควรนะครับถ้าไม่ได้ผลในสามประการเหล่านี้นะครับสิกขาไม่ดีขึ้นไม่ควรนะครับนะถึงบาปนี่นะครับจะไปขอแบ่งมาจากใครมันก็บาปนั้นแหละครับใช่ไหมครับไปแบ่งมาจากใครก็อกุศลเพราะฉะนั้นก็โดยที่ไม่ต้องวิตกกังวลก็ได้มั้งครับไม่ต้องไปเดือดร้อนกับเขาแหมไปเขาร้องไห้ไปนั่งร่วมร้องไห้เป็นเพื่อนนะครับ เขาไปเย้ยวเยอเยก็ไปเย่ยกับเขาด้วยนะครับไม่ใช่นะแล้วข้อความเนี่ยเาพูดถึงข้อหัสใช่หครับเี่ยกอหัสเป็นบันปชิดครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นไปกับอักุศล น, นะครับที่จริงบันปะชิดเราเช่นไปร้องไห้ไปเศร้าโศกเสียใจก็ต้องควรไปปลุกปลอบใช่ไหมครับเออนี่นะท่านเคยเสียใจร้องไห้เนี่ยนะ พ่อญาตตายเป็นต้นน้ำตาก็มากกว่าน้ำทะเลมาหาสมุทรแล้วจะมาร้องไห้ทำอะไรอีกไปปลุกปลอบใจเขาสิครับไม่ใช่ไปช่วยกันร้องห่มร้องไห้กอดคอกันร้องไห้อะไรเรื่องอะไรครับ ค, <า>ครับนะเพราะฉะนั้นวิตกเหล่านี้เนี่ยนะครับจะละได้โดยไม่มีเหลือตามสมควรด้วยอริยมรรคนะครับที่ทำให้ปัสนานั้นให้เป็นเบื้องบาทแล้วบรรลุสมจริงดังคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าพึงเจริญอาณาปานสติ เพื่อเข้าไปตัดเสียซึ่งวิตกนะครับคือกําจัดอาคุศลวิตตกทั้ง9้าอย่างเลยนะครับนะทบทวนอีกครั้งอาคุศลวิตตก9้าอย่างก็คือ1นึ่งกาลมวิตตก2พยาบาทวิตก3วิหิงสาวิตก4ีญาติวิตกหชนบทวิตตก6อมราวิตกนะครับเจวิตกประกอบไม่อยากให้ใครมาดูหมิ่น8ก็วิตกอยากได้ลาบสการะและสรรเสริญ9ก็วิตตกนะครับไปร่วมสุขร่วมทุกข์กับใครก็ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับพวก ครวาวาททั้งหลายเป็นต้นนั่นเองวันทัศเจริญอานาปาณสตินี่นะครับสามารถบรรลุอริยมรรคได้ก็ตัดอกุศลวิตกทั้งหลายเหล่านี้ออกหมดนะครับในวิตกทั้งหลายเหล่านี้นะครับเป็นไปเพื่ออบายทุกติวิบัตินรกทั้งหมดนะครับทั้งอกุศลวิตกทั้ง9้าเนี่ยนะบทว่ า, ายาอาวิชชาสาปิหิยตินะครับอันนี้หมายถึงว่าเจริญอ น, นิจจานุปัสสนานะครับเพื่อทําลายอาวิชชานะครับเพื่อให้วิชชาเกิดนั้น อธิบายบทว่ายาอาวิชาสาประหิยติความว่าอาวิชาใดที่ปกปิดสภาพแห่งความจริงทําความชิบหายให้ทุกอย่างเป็นมูลแห่งวัฏฏทุกข์ทั้งสิน้นอวิชานั้นผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงอยู่จะตัดได้นะครับอวิชานี่นะนำความชิบหายมาให้ความชิบหายที่ว่าคืออะไรบ้างครับหนึ่งอกุศลทั้งหลายที่ไม่ควรได้ทุจริตทั้งหลายที่ไม่ควรได้อวิชาก็ทําให้ได้ ความดีทั้งหลายมีกายสุจริตเป็นต้นควรได้อวิชาก็ทําให้ไม่ได้นะครับอริยศาสตร์นี้ควรแก่การแทงตลอดควรแกการบรรลุอวิชาก็ไม่ให้บรรลุนะครับนะครับขันธาตุอรยตนะที่ควรพิจารณาเห็นโดยสภาวะของแท้เป็นต้นอวิชาก็ไม่ให้พิจารณานะครับเนี่ยคืออวิชาและาวิชานี่เป็นมูลแห่งวัตทุกขนะครับเพราอาวิชานี้เป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเป็นต้นนะครับ เพราะฉะนั้นวัตถุทุกทั้งหมดก็โดยที่มีอวิชชานั่นแหละเป็นปัจจัย น, นผู้ที่พิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงในขันห้านะครับในอุปาทานขันห้าอยู่ก็จะละอวิชชาได้ได้ยินว่าบทว่ายาอาวิชชาสาประหิยตินี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วด้วยสามารถแห่งพระขีนาสพผู้สุขาวิปสัสสกผู้อยู่จบพรหมจรรย์โดยอาการแห่งอนิจจาลักษณะนั้นนะครับ ข้อนั้นมีความสังเขปดังต่อไปนี้ว่าเมื่อพระโยคาวจรทั้งหลายเริ่มตั้งสัมมาสาาัญญ า, าสัมมสนายานก็คือย า, ยามที่พิจารณานะครับเห็นแจ้งสังขารทั้งปวงที่เป็นไปในภูมิ3โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นนะครับคือเห็นสังขารที่เป็นไปในภูมิ3าอ่ะนะคือการมาภูมิรูปภูมิมารูปภูมินะครับที่ขันห้าที่เป็นไปตามปัจจัยเนี่ยนะครับโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นโรคเป็นดังหูวฝีเป็นดังลูกซ้อนเป็นความลําบากเป็นต้นนะครับหรือเห็นเป็นของที่มีความเกิดเป็นธรรมดาแก่เป็นธรรมดาเจ็บเป็นธรรมดาตายเป็นธรรมดาโสกะปริเทวะทุกขโทมานัตและอุปาญาตเป็นต้นเนี่ยเป็นธรรมดาอันพิจารณาอย่างนี้ก็วิปัสสนาที่เป็นวุฒานคามินีปฏิปทานนะครับวิปัสสนาที่เป็นวุฒานคามินีนั้นหมายถึงวิปัสสนาที่ตั้งแต่พังคยานเป็นต้นนะครับเป็นการปรับพฤติเพื่อออกจากวิวัตะ ถ้าเป็นพระพิสุติอยู่ประพฤติวุทฒานคามินีก็คือประพฤติเพื่อออกจากสังขารติเสธ อ, อนุปัสนาทั้งหลายที่ตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงหรืออนิจจานุปัสนาตั้งแต่พังคยานเป็นต้นไปนี่นะครับก็เรียกว่าวุทฒานคามินีเพราะเป็นการประพฤติเพื่อออกจากวัตะนะครับที่เป็นไปอยู่ว่าไม่เที่ยงนะครับทีนี้วุฒานคามินีนะครับจนถึงอนุโลมยานเป็นต้นก็สืบต่อได้ด้วยมรรคในเวลาใด ในเวลานั้นอรหัตตมรรคก็จะเกิดขึ้นตามลําดับนะครับคือลําดับไงครับถ้าวุฒธธานาคามินีเกิดขึ้นโสดาปฏิมรรคก็จะเกิดโสดาปฏิผลก็เกิดแล้วหลังจากนั้นปัจเจเวขณายานก็เกิดเจริญวิปัสนาใหม่นะครับ okay. Okay. Okay. โดยมากก็ตั้งแต่สัมมาชนายานเป็นต้นไปอีก น, น, นะครับ mm hmm. พิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงอีกเลยนะครับ mm hmm. แล้วก็เจริญเข้าไปอีกนะครับก็บรรลุสกทาคามีมรรคสกทาคามีผล แล้วก็ปัจเวหขณะยานพิจารณาสังขารใหม่นะครับพิจารณาขันห้อีกเป็นต้นไปนะครับก็บรุอณาคามิมักเจริญอย่างนั้นอีกนะครับจนอรหัตตมรรคเกิดก็ยังวิชาให้เกิดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่ออรหัตตมรรคเกิดขึ้นตามลำดับเมื่อท่านเหล่านั้นพิจารณาอนิจจักษณะเนืองเนืองอยู่ก็จะละวิชาได้โดยไม่เหลืออรหัตตมรรควิชาจะเกิดขึ้นได้ หมายความว่าปัญญาในอรหัตตมาก็จะเกิดขึ้นดังนั้นคําว่าอนิจจานุปัสสีนังวิหระตังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้โดยอนิจจารักษณะเป็นธรรมะปรากฏแก่พระโยคาวจร น, นั้นหรือโดยเป็นอุบายในการถือเอาลักษณะทั้งสองนอกนี้แต่ไม่ได้ตรัสไว้นะครับโดยที่พระโยคาวจรพึงพิจารณาลักษณะอย่างเดียวเท่านั้นเนืองๆ น, นะครับ แต่ที่จริงแล้วพระองค์ตรัสอนิจจังอย่างเดียวเท่านั้นนะครับโดยโดยคำสอนแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่ว่าทุกขังและอนัตตาจะไม่กล่าวนะครับกล่าวแล้วโดยนัยะเพราะอะไรครับอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นจะต้องถ้าพิจารณาไม่เที่ยงอย่างชํานาญก็จะเห็นสิ่งนั้นแหละโดยความเป็นทุกขถ้าเห็นสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นนั่นแหละเป็นอนัตตา ยกตัวอย่างว่าพิจารณารูปประคันเนี่ยนะครับโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะอาศัยการเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นด้วยปัจจัยมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะครับเมื่อพิจารณาอย่างนี้มากๆก็จะเห็นว่าโอ้เนี่ยนะไอ้สิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกเนี่ยนะครับสิ่งที่ไม่เที่ยงอาศัยการเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมีความแปรไปเป็นธรรมดามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะ เสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะยังประกอบด้วยชาติชรามรณะโศกะปริเทวะทุกข โ, โทมาัตและอุปาญาตอันนี้เป็นลักษณะของทุกขลักษณะแล้วสิ่งเหล่านี้ว่างจากสัตว์ว่างจากนะครับบุคคลว่างจากเราว่างจากของเราว่างจากอัตตาของเราว่างจากบริขารของอัตตาเป็นต้นนะครับว่างจากความเที่ยงเป็นต้นอันนั้นก็เป็นอนัตตลักษณะนะครับแล้วพระอ์ก็ยังสอน พระเมคิยะในคัมภีร์อุทานว่าก็อนัตตสัญญาของผู้มีอนิจจสัญญาจะตั้งมัน่นผู้มีอนัตตสัญญาจะถึงการถอนอัสมิมานะขึ้นได้นะครับอันนี้ผมก็มีการอสอนขึ้นโดยลําดับนะครับถ้ารู้อนิจจังสัอย่างนะครับถ้ารู้จริงอ่ะนะจะต้องรอบรู้ไปถึงทุกขังและอนัตตาด้วยนะครับทีนี้เมื่อรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาอนุปัสนาที่เหลือก็เท่ากับกล่าวด้วย นะเพราะฉะนั้นมรรคผลก็จะเกิดขึ้นโดยลําดับตามอนุปัสนาทั้งหลายเหล่านั้นเข่อคณิตศาตรครับ อ, อันนี้จังทุกขังหน้าตาเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับว่าเวลาเจริญแล้วเนี่ยคนที่มีอัตยาศัยต่างกันเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมว่ามันจะมีความชัดเจนนะต่างกันระหว่างอันนี้จังทุกขังหน้าตาก็ชัดอย่างนั้นแหละครับแต่ทีนี้ว่ารอบอย่างอื่นก็รอบรู้แต่ไม่ชํานาญเหมือนกันนะ<อ>นะไม่ชํานาญในสิ่งนั้นอ่ะนะ ก็ S <S คือชำนาญ อ, อันนี้จังมากกว่าสมมุติก็มีคนอยู่3ามคนเนี่ยนะเราคุ้นกับคนใดคนหนึ่งมากกว่า2คนที่เหลือ <S <S แต่อีกสองคน ảo, ไม่ใช่<ร>ไม่รู้นะครับก็รู้แต่ว่าสนิทกับใครที่สุดนะครับะนะะว่ามีอะไรจะปรึกษาคนไหนก่อนเ่ยนะะยกตัวอย่างที่ว่าในวัดหนึ่งเนี่ยนะครับมีพระอยู่3รูปนะครับ3มรูปเรารู้จักหมดเลยแต่เราคุ้นกับรูปใดรูปหนึ่งเป็นพิเศษอย่างนั้นครับลักษณะนั้นนั่นเองแต่ก็ทั้ง3มรูปก็รู้หมดนั่นแหละครับ นี่ก็ลักษณะเดียวกันนะนะรอบรู้ทั้งทุกขังและก็อนัตตาด้วยนะครับเพราะว่าถ้ารู้อนิจจังดีอนัตตาสัญญาก็จะตั้งมั่นถ้าอนัตตาสัญญาดีก็จะถอนอัศมิมาณะได้ทีนี้ในคาถานะครับคาถาที่พระองค์ตรัสว่าภิกษุผู้พิจารณาเห็นอารมณ์ว่าไม่งามในกายมีสติเฉพาะในลมหายใจมีความเพียรทุกเมื่อ พิจเจรนาเห็นซึ่งนิพพานอันเป็นที่ระ ง, งับสังขารทั้งปวงภิสูุนั้นแลผู้เห็นโดยชอบพยายามอยู่ในนิพพานเป็นที่ระ ง, งับแห่งสังขารทั้งปวงภิสูุนั้นแลผู้อยู่จบอภินยาสงบระ ง, งับเรื่องโยคะเสียได้แล้วเชื่อว่าเป็นมุนีนะครับนะถ้า ป, ปฏิบัติตามนี้ก็เป็นมุนีคือเป็นผู้มีโมนยะระดับอรหัตผลนัน่นแหละ อธิบายว่าบทว่าอาณาปานีปฏิสโตความว่ามีสติเฉพาะมีสติเฉพาะในอาณาปณานะนิมิตอธิบายว่าเข้าไปตั้งสติไว้มั่นในลมหายใจเข้าหายใจออกที่เป็นนิมิตนะครับนิมิตคือลมหายใจเข้าหายใจออกนะมีสติตั้งไว้ที่นิมิตอันนั้นบทว่าปัสสังความว่าเห็นอยู่ซึ่งพระนิพพานอันเป็นที่ระงับสังขารด้วยยาณจักสุ อันเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะเอางี้นะครับผู้ที่จะฟังอย่างนี้ฟังไม่จบท้วนกระบวนความนะครับไปตั้งเออนี่นะหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ยาวก็รู้สั้นก็รู้ทีนี้ถ้ามีคําถามใหม่ว่ารู้อย่างนี้แล้วอรู้อริยสัจได้อย่างไรนะครับนะครับเห็นทุกขอริยสัจได้อย่างไรเห็นทุกขสมุทัยอริยสัจได้อย่างไร เห็นทุกขนิโรธอริยศาสตร์ได้อย่างไรเห็นทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาได้อย่างไรนะอันนั้นเอาแบบชั้นสูงสุดยอดเลยถ้าลดลั่นต่ำลงมากว่านั้นอีกเออพิจารณาลมหายใจเข้าออกอย่างนั้นเนี่ยเห็นปฏิจจสมุปบาทได้อย่างไรเห็นอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสลายตระหนัภาษเวทนาได้อย่างไรนะคบหรือเห็นว่า ตัญหาอุปาทานพบชาติชรามรณะเป็นต้นได้อย่างไรหรือเห็นอุปาทานขันห้าได้อย่างไรเห็นปัจจัยได้อย่างไรนะคบเป็นสมถะได้อย่างไรเป็นวิปัสนาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นคำถามเหล่านี้ควรถามให้รู้แจ้งแทงตลอดแล้วก็พิจรนารณาครับจึงจะมีผลไม่งั้นเออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เจริญอย่างนี้มาตั้งหลายปีทําไมไม่บรรลุอะไรสักอย่างเลยนะครับ ก็ไม่ได้บรรลุตรงลมนะครับบรรลุที่ปัญญานะครับไม่ได้บรรลุด้วยลมเพราะงั้นถ้าหากว่าบรรลุด้วยลมเนี่ยใครหายใจเข้าออกก็บรรลุกันหมดแต่นี่มันบรรลุด้วยมรคมีองค์8นะครับเพราะฉะนั้นควรทําความเข้าใจในอารยมร์อันประกอบด้วยองค์8ให้ดีผมก็อยากจะทําความเข้าใจหะนั้นนี่โมนาย์ช่วยบอกด้วยก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าอะไรคือถ้าจะเอาวิปัสสนาเลยนะครับในชั้นต้นก็สงเคราะห์สิ่งเหล่านี้โดยความเป็นรูปนามขันห้าก่อน ว่าในขณะลมหายใจเข้าออกนี่อะไรเป็นรูปประคันอะไรเป็นนามขันยกตัวอย่างว่าลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นวายโยธานะครับจิตที่เป็นสมุทฐานแห่งลมหายใจเข้าออกนั้นเป็นนามขันนะครับเป็นนามขันทั้งเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณและรูปคือลมหายใจเข้าออกเหล่านั้นเนี่ยนะครับเกิดจากปัจจัยอะไรนามที่เป็นเหตุเป็นสมุทฐานให้หายใจเข้าออกเนี่ยเกิดจากปัจจัยอะไรนะครับก็พิจารณาปัจจัยนะครับ เมื่อพิจณาปัจจัยแล้วก็ใส่ในการวันแม่ในอดีตการใครทั้งหลายที่มีลมหายใจก็ด้วยปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้แม่ในอนาคตผู้ที่มีลมหายใจก็มีลมหายใจเพราะเหตุทั้งหลายเหล่านี้นะคบเพราะฉะนั้นถามว่าแกชาติชารามรณาแกที่ไหนก็ลมหายใจเหล่านี้แหละครับเรียกว่าชาติ ชราก็นี่แหละครับหายใจเท่นถ้าจมูกมันเสียหายเนี่ยนะครับหายใจก็ไม่คล่องอันนี้เรียกว่าชราหรือมรณะนะพยาธินะครับมรณะตายก็เรียกว่าคนไม่หายใจเป็นต้นเนี่ยนะถ้า ม, มนุษย์ทั้งหลายขาดลมหายใจซากศพทั้งหลายก็จะกลายเป็นขึ้นอืดขึ้นพองเป็นต้นไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นโอ้โหนี้เรียกว่ามรณะทั้งหลายนะครับแล้วก็าชาติชรามรณะเนี่ยนะเป็นไปตามเหตุปัจจัยอย่างนี้ไม่ใช่ในปัจจุบันเท่านั้นแม้ในอดีตก็าชาติชรามรณะแบบนี้แหละ จะมีไปในอนาคตก็ชาติชรามรณะเหล่านี้แหละแต่ถ้าเผู้ไม่รอบรู้ไม่แทงตลอดอริยสัจในสิ่งเหล่านี้ก็จกมีชาติชรามรณะอย่างนี้ไปไม่มีที่สิ้นสุดนะครับก็พิจารณาถึงชรามรณะชรามรณะสมุทัยชรามรณะนิโรธแล้วก็ชารามรณะนิโรธถ้าขาม่มีปฏิปทาอ้าวชรามรณะมีอะไรเป็นสมุทัยก็มีชาติชาติมีอะไรเป็นสมุทัยก็มีภพบพมีอะไรเป็นสมุทัยมี อุปาทานอุปาทานมีอะไรเป็นสมุทัยมีตัณหาเป็นสมุทัยตัณหามีเวทนาเป็นสมุทัยเวทนามีภาษะเป็นสมุทัยภาษามีสลายยตนาเป็นสมุทัยสลายยตนามีนามรูปเป็นสมุทัยนะครับนามรูปมีวิญญาณเป็นสมุทัยวิญญาณมีสังขารเป็นสมุทัยสังขารมี อวิชาเป็นสมุทัยนะเพราะฉะนั้นอวิชาเป็นปัจจัยนั่นแหละจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยนั่นแหละจึงมีวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยนั่นแหละจึงมีนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยนั่นแหละจึงมีสลายตนะสลายตนะนั่นแหละเป็นปัจจัยจึงมีภาษาภาษานั่นแหละเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนานั่นแหละเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหานั่นแหละเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานนั่นแหละเป็นปัจจัยจึงมี พ บ, พบนั่นแหละเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาตินั่นแหละเป็นปัจจัยจึงมีชรา ม, มรณะแล้วก็อาศัยสิ่งเหล่านี้แหละเห็นให้เกิดโศกกระปริเทวทุกขโทมนัตและอุปาญาตสิ่งเหล่านี้เรียกว่ากองแห่งวัตทุกข์แม้ในอดีตการก็เป็นอย่างนี้แหละแม้ในอนาค ต, ตการก็เป็นอย่างนี้แหละแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีความจีรังยั่งยืนเลยเพราะเขาเป็นไปตามปัจจัยของเขาถามว่า สิ่งที่มีชาติเนี่ยเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ชรา ม, มรณโโาโศกะปริเทวทุกขโทมนัตอุปา ย, ยาตมันก็คือวัตถทุกข์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เห็นเหตุเกิดกับความดับเหล่านี้ซึ่งเป็นไปตามปัจจัยก็ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในสิ่งเหล่านี้ก็จะสา ม, มารถแทงตลอดอริยสัจสีประการได้เมื่อแทงตลอดอริยสัจสี่ได้นะครับบรรลุอริยสัจในขณะนั้นเพราะวิชาดับสังขารก็ดับถ้าสังขารดับวิญญาณก็ดับถ้าวิญญาณดับ นามรูปก็ดับถ้านามรูปดับสลายตนะก็ดับถ้าสลายตนะดับภาษาก็ดับนเดถ้าภาษาดับเวทนาก็ดับถ้าเวทนาดับตัญหาก็ดับถ้าตัญหาดับอุปาทานก็ดับถ้าอุปาทานดับพบก็ดับถ้าพบดับชาติก็ดับถ้าชาติดับชรามรณะก็ดับนะครับนะชรามรณะโสกกาปริเทวะทุกขโทมณะและอุปาญาตก็ดับ ความดับแห่งกองทุกทั้งมวลก็จะมีได้ด้วยอาการอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นยาณจากักษุคืออรหัตมัคคยานก็จะเกิดขึ้นเป็นไปตามลำดับนะครับเพราะว่าในบรรดาสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนนะะเนี่ยนะครับมรคนี่ประเสริฐที่สุดอริยมรคนั้นจะต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยนะครับปรุงแต่งแล้วสัมมาทิฏฐิก็เกิดจากปัจจัยเกิดจากอาหารนะครับ สัมมาสังกปปะก็เกิดจากปัจจัยก็เกิดจากอาหารเป็นต้นนั้นอริยมรรคที่จะบริบูรณ์นั้นก็เป็นการบริบูรณ์ของอินทรีย์พละเป็นต้นนะครับก็ทําความเข้าใจในโพธิปัฏฐาธรรมให้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกนะครับครับก็กได้ไดนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ว่าเพียงพอไมหมล่ะครับครับก็ต้องสาวให้หมดนะครับพิจารณาทุกแง่ทุกมุมและถ้ากล่าวตามสติปัฏฐานสูต ร, รไม่ใช่ภายในอย่างเดียว ไม่ใช่เฉพาะภายในนะภายนอกด้วยสัตว์อื่นๆที่หาใจก็ลักษณะนี้ทั้งหมดนั่นแหละทั้งภายในและภายนอกนะครับเหตุเกิดและความดับนะครับแม้กระทั่งอดีตการน า, นาคตการนะครับเอาพิจารณาหมดนะครับก็จนละอวิชาได้นะครับสำรอกอวิชาได้เพราะฉะนั้นถ้าเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้แล้วอวิชาไม่เกิดอีกเลยนะครับรทั้งตีระนาปริญญาปหานะปริญญาก็ต้องพอกพูนไป บทว่าอาตาปีสปปะปดาความว่ามีความเพียรอยู่เนืองๆในธรรมะมีอนุอสุภานุปัสนาการพิจารณาเห็นความไม่งามเป็นต้นโดยไม่หยุดชะงักในระหว่างคือประกอบแล้วประกอบเล่าทําสม่ําเสมอนะครับทําแล้วทําเล่าทําเนืองๆ เ, เนี่ยนะในนะครับอสุภะในอนาปานสติในอนิจจานุปัสนานีนนน่นะครับก็ทาเนืองๆนะครับ ทำอย่างสม่ำเสมอบทว่าอยะโตได้แก่พยายามอยู่อีกอย่างหนึ่งได้แก่เป็นผู้แน่นอนในธรรมะนั้นคือในพระนิพพานอันเป็นที่ระ ง, งับสังขารทั้งปวงด้วยสัมมัตตนิยามสัมมัตตนิยามนี่แปลว่าความอย่างลงโดยชอบนะครับหมายถึงอริยมรรคนะครับอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปรเรียกว่าสัมมัตตนิยา ม, มก็หลุดพ้นด้วยการหลุดพ้นด้วยอํานาจอรหัตตะพนนะครับเมืออมกเก่อรหัตตมรรเกิดอรหัตตะพก็จะเกิด คำที่เหลือก็มีในัยยะดังกล่าวแล้วทั้งนั้นนะครับเคยพูดมาแล้วทั้งนั้นแหละครับอันนี้ก็จบอัตกะถาอสุภาูตรที่หก